จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านพบกับรายการธรรมสู่สันติอีก mm hmm. เช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้อัตมาภาพในนามของคณะศิษย์วัดหลวงพดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย อำอเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้ทำหน้าที่นำธรรมะบรรยายบ้างปตาตกถาธรรมบ้างมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้ก็จะได้นำการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชั ย, ยมังคโลซึ่งท่านได้ตอบข้อข้องใจให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษา ที่เข้าไปศึกษาอบรมและปฏิบัติศีลธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังซึ่งการตอบปัญหานั้นหลวงพ่อท่านได้เน้นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตปัจจุบันยิ่งอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย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 อย่าไปตามอย่าไปเอาอย่างเราจงคบแต่คนดีมีศีลมีธรรมคบเพื่อนระดับเดียวกันก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมคบลูกน้องก็คนดีมีศีลมีธรรมคบผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็คบคนดีมีศีลมีธรรมคำว่าคบคือเข้าสนิทสนมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นคบไหม คบห่างๆไว้ถ้าคนไม่ดีไม่ใช่ไม่คบซะเลยนะไม่คบเลยเดี๋ยวก็จะว่าเราหยิ่งยะโสอา้าวเราเสียคนอีกใช่ไหมก็ดีๆนี่แหละแต่ไม่ไปคลุกคลีตีมงจนขนาดเขานําเราไปในทางเสียได้ตรงนี้แหละตํารวจสําคัญที่สุดคบคนดีเป็นมิตรและคนที่จะต้องคบที่ว่าเป็นคนดีที่สุดคือตัวเราเอง ตัวเราเองต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครบตัวเราเองนี่แหละบัณฑิตในใจเรานี่แหละแล้วเมื่อเราพัฒนาภูมิธรรมของเราได้มากเท่าไหร่เราจะรู้เลยคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราเดินตรงทางเนี่เพราะคนไหนเบี้ยวทางเรารู้แล้วนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ิวิตานี่ความเป็นผู้รู้จักใช้สอยรั์ ที่ทำมาหาได้แต่พอควรแก่ฐานะนี่นะไม่ใช่ห า, าไม่ใช่ใช่อย่างราชาหาอย่างกระยาจกมีเยอะนะแม้ใช้เงินโอ้โหเป็นเบี้ยเลยเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฟูงแมหน้าใหญ่แต่เวลาหาเงินนิดเดียว นี่เขาเรียกว่าใช้อย่างราชาหาอย่างกระยาจกเรามันต้องหาอย่างราชาแล้วก็ใช้ตามสมควรแต่ไม่ใช่ใช้แบบกระยาจกนะใช้แบบกระยาจกก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำไมใช่ไหมต้องใช้ตามประโยชน์ตามฐานะเนี่ยทำยังไงละ่ะแบ่งเงินเดือนเราเท่าไหร่รายได้เรามาเท่าไหร่พิเศษที่เราทำประกอบอาชีพ เพิ่มเติมมีรายได้เท่าไรรายได้นั้นมาสองตายายมารวมกันเข้าพูดกันซะว่าเรามารวมกันนะเออถ้ามีด้วยกันก็สองคนก็มารวมกันแบง่งอ่าเดือนนี้เรามีรายได้เท่านี้เราก็จะจัดสรรแบง่งว่าเอาละใช้สำหรับค่าอาหารเท่านี้ค่าโน่นค่านี่ค่า เราเลียนลูกค่าเสื้อผ้าค่าอะไรแล้วก็ฝากฝากออมทรัพย์ไว้นี่คนที่กําลังเจ้งกันหนักๆเพราะไม่รู้จักอมทรัพย์นั่นขาดอารักษาสมบัติไม่รู้จักรักษาทรัพย์แทนที่จะอมทรัพย์มัธยัตใช้จะสอยแต่พอสมควร แล้วออมทรัพย์ส่วนที่เหลือเอาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวยามฉุกเฉินยามเดือดร้อนไม่ทำถือว่าหาเงินง่ายเศรษฐกิจฟองสบู่หาง่ายก็ใช่เลยฟุ่มเฟือยหนักหนาเงินหมดพระตกงานสวัสดีเลยแงีแก่เลย เยอะเลยแบบนี้แล้วก็ร้องโวยวายถ้าท่านรู้จักนะออมซัพย์ไว้เนี่ยทำงานมากี่ปีกี่ปีจากน้อยไปหามากออมซัพย์ไว้ออมรัพย์ไว้แล้วเวลามันเดือดร้อนขึ้นมาเราได้ใช้ได้หรือเมื่อมันมีเงินก้อนขึ้นมาเราประกอบกิจการที่ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอีกทําได้นี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวชีวิตราชาการรับรองเลยไม่เดือดร้อนแต่อที่เดือดร้อนมันไม่อย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้จักใช้สอยทรัพย์แทนที่จะแบ่งไอาที่มันจำเป็นจำเป็นอย่างนี้แล้วมันเหลืออย่างนั้นอย่างนั้นไปลงขวดเหล้าสมดสวัสดีที่พ่อเท่านั้นยังไม่พอพนันพนันไปเถอะตั้งแต่นั้นดูมวยกับพนันมวยอีกอืม <c oughs> สุราณารีการพนันหวยเบอร์อีกไอ้หวยนี่นะโยมนะมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านนะโยมก็รู้ดีแหละนะและกระทุกอย่างมันทำลายทั้งนั้นในเรื่องอบายยมุกเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะต้องเราสันโดษในคู่ครองของตนมีสติสัมปชัญญะไม่เสพสิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอย่างนี้สี่ข้อนี้ให้ท่านจำไว้นี่หัวใจเศรษฐีข้อหนึ่งอุทานาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตัวย่อวะอุอุที่สองก็คืออารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาทรัพย์รักษาฐานะนาทีการงานรักษาครอบครัว ให้สงบสุขนี่อากัลยาณามิตตาคบคนดีเป็นมิตรนี่กะย่อเป็นอย่างนั้นสมชีวิตาตัวย่อว่าสะรู้จักใช้สอยซับแต่พอประมาณพอสมควรแก่ความจำเป็นและพอเหมาะพอควรแก่ซับ ที่มีและหรือที่ทำมาหาได้โดยสุจริตท่านทำได้อย่างนี้รับรองไม่เดือดร้อนทั้งชีวิตรครอบครัวและในวงงานนี่เอาประโยชน์ปัจจุบันนี้ก่อนทิฏฐะธรรมิกัะถะประโยชน์เวลาก็หมดลงแล้วนะถ้าคราวหน้าหรือนังสือที่ได้ไปปตาตกถาธรรม จะมีประโยชน์สุกในภายหน้าสัมปรายกัตถประโยชน์ประโยชน์สุกในภายหน้าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะมีผลให้เกิดความเจริญและสันเสิสุขในภายหน้าคือหนึ่งนี่ย่อเลยนะศรัทธาสัมปทารู้จักศรัทธาในข้อปฏิบัติและในบุคคลที่ควรศรัทธาก็คือ ศรัทธาในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าและคนดีมีศีลมีธรรมจงศรัทธาคนอย่างนี้ถ้าไม่ศรัทธาคือไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามออกนอกศีล น, นอกธรรมผิดศีลผิดธรรมมันก็สวัส ด, ดีเท่านั้นแหละนี่กล่าวง่ายๆข้อสองศีละสัมปทาตรงจงเป็นคนมีศีลศีลห้านี่แหละตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ให้ดีที่สุด เป็นเกราะเครื่องป้องกันท่านไม่ให้มีเวรภัยต่อไปในการข้างหน้าข้อสจาระสัมปทารู้จักเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อผู้อื่นด้วยการเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ผลสะท้อนจะย้อนกลับเป็นบุญกุศลมาให้ท่านจเจริญด้วยมนุษย์สมบัติคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติ และคุณสมบัติจะเริญขึ้นไปถึงเทวสมบัติหรือเทพยะสมบัติและหรือสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติเริ่มตั้งแต่ทานกุศลเป็นทานบารมีทานอุปบารมีทานปรามัดบารมีนั่นอย่างนี้เป็นต้นและข้อสุดท้ายปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงเลิกละทางเสื่อมไปในทางเจริญคุณความดีและชำระจิตใจให้ผ่องใสเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเราก็ปลดเปลื้องตัวเองจากกิเลสตัณหาอุปาทานได้มากแล้วนั่นแหละชีวิตของเราจะประสบแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียว จึงสรุปว่าประโยชน์สุขในปัจจุบันอุอากะสะหัวใจเศรษฐีเช้าท่องท่องให้จำอุอากะสะอุทฐานสัมปทาอารักสัมปทากัญยาณมิตตาสมัชีวิตาและประโยชน์สุขในอนาคตศรัทธาสัมปทาศีลละสัมปทาจาระสัมปทาปัญญาสัมปทา ถ้าทำได้อย่างนี้รับรองชีวิตของท่านมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่อย่างเดียวเอานะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ตามสมควรแล้วหลวงพ่อขอตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศีรัตนตไตรจงได้โปรดดลบันดาลอาภิบาลคุ้มครองผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่ตนเองแก่ครอบครัวและสังคมให้ปราศ จ, จากความทุกข์ความโศกโรคภัยสภะอันตรายและอุปัรรคันตรายทั้งปวงให้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในประสัท ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบคือหน้าที่การงานให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่าได้รู้จักตกต่ำสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ มีมรสีผลสีและนิพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินที่สาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามและช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นด้วยการเจริญภาวนาสมาธิ โดยเตรียมนั่งในท่าคัมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้จรดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติแล้วขอเชิญทุกท่านตั้งใจน้อมใจประพฤต ปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธระธุระวัดปากน้ำสืบต่อไปเมื่อท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจชำระจิตใจให้สะอาดโดยการเจริญภาวนาธรรมต่อไปการเจริญภาวนาธรรมนี้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 ภารกิจทางกายวาจาและใจได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปที่ศูนย์กลางกายอีกน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูอุปัชาอาจารย์คุณบิดามารดาและบุญบารมีทั้งหลายที่เด็กเคยสร้างสมอบรมมาให้มาช่วยประครับประคองใจให้หยุดให้นิ่งและเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม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 ที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตวเท่าแก้วตาคืนนึกให้เห็นหรืยใจยิงกำหนดขึ้นที่ปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดที่ปากช่องจมูกขวาใจของเราที่ยืดไปยืดมาแวดไปแวบมาให้ข้าวปอยู่เสียที่ไหนบริกรรมนิมิต ท, ที่ปากช่องจมูกญิงซ้ายชายขวาดวงโตเท่าแก้วตาจุดศูนย์กลางข้างในโตธรรมเลดพุทธรักษา สายสะอาดเหมือนกระจกส่องเงาหน้าแล้วให้บริการภาวนาคือท่องในใจเพื่อประคองบริการนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งพร้อมด้วยตรึกนึกถึงดวงที่ใสใจอยู่ในกลางดวงที่ใสนี่ฐานที่หนึ่งเมื่อเห็นเครื่องหมายสายสว่างชัดดีพอสมควรแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้น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 คักศีสะข้างในนิฐานที่สามพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาวัสมารหังสัมม า, ารหังสัมม า, าหังสัมม า, าหังกํากับไว้สามครั้งทีนี้จงหลับตาไปข้างหลังเหมือนคนกํนาลังชักจะตายอย่างนั้นแหละในขณะหลับตาอยู่ก็ช้อนสายตาขึ้นข้างบนโดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นตามพอตาค้างแน่นอยู่ความเห็นก็จะกลับไปข้างหลัง แล้วก็ให้ความเห็นนั่นกลับเข้าข้างในพร้อมๆกับค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆชา้ชาๆไปหยุดอยู่ที่เพดานปากนิฐานที่สี่และบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสว่างนั้นลงไปหยุดอยู่ที่ปากช่องลำคอเหนือลูกกระเดือก นิฐานที่ห้าตั้งเครื่องหมายไว้นิ่งอยู่ที่ปากช่องลำคอนั่นแหละพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแบบเดิมอีกแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเรากลืนดวงแก้วลงไปในท้องอย่างนั้นแหละ ลองไปหยุดนิ่งอยู่ตรงสุดลมหายใจเข้าออกตรงระดับสดือพอดีนิฐานที่หกและบริกรรมภาวนาประครองเครื่องหมายไว้เรื่อยจนเห็นเป็นดวงกลมใสชัดขึ้นแล้วจึงค่อยคเลื่อนเครื่องหมายนั้นขยับสูงขึ้นมาตรงตรงมาหยุดอยู่ณนศะูนย์กลางกายเหนือระดับสดือประมาณสองนิ้วมือนิฐานที่เจ็ด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 ดวงสายเดิมนั้นก็จะว่างหายไปแล้วก็จะเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกสาละเอียดหนักยิ่งกว่าเก่าก็ให้น้อมใจหยุดนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่นั่นอีกก็จะเห็นดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะกลางของกลางกลางกลางกลางกลางไม่มีถอยหลังกลับพอละเอียดหนักเข้าก็จะเห็นกายละเอียดสาบริสุทธิ์ปดลอยขึ้นมาจากศูนย์กลางดวงนั้น เมื่อเห็นกายละเอียดผุดขึ้นมาแล้วก็ให้รวมใจหยุดลงไปที่ศูนย์กลางกายใหม่นั้นเองก็จะเห็นดวงธรรมอีกให้ดําเนินไปในแบบเดิมอีกแปลว่าเห็นดวงให้เดินดวงคือเข้ากลางของกลางกลางกลางไปเรื่อยๆถ้าเห็นกายก็เดินกายคือเข้ากลางของกลางกายใหม่นั้นต่อไปอีกทีนี้ลองพิจารณาดูสิว่ากายแต่ละกายที่เห็นผุดขึ้นมานะักกายอะไร ต่อตอนี้ไปก็หมั่นฝึกหัดอยู่เสมอเมื่อโอกาสอำนวยและว่างจากภารกิจอื่นแล้วทุกเอิริยาบทก็ได้คือทั้งในขณะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งทั้ ง, งลืมตายอยู่ก็ได้เพื่อให้จิตเป็นเร็วขึ้นและอีกอย่างก็คือเมื่อใจเราถูกฝึกให้หยุดที่สูนย์กลางกายหนักเข้าก็ไม่ต้องไปเกาะไปยึดให้นอนไอนีให้เกิดตันหาวปาทาน และเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นการช่วยลดพบลดชาติให้น้อยลงก่อนนอนคืนนี้ก็ลงมือปฏิบัติต่ตอไปเลยคือบริกรรมภาวนาสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังพร้อมได้ตรึกนึกถึงดวงท่ใสายใจอยู่ในกลางดวงท่ใสายนั่นแหละเรื่อยไปจนกระทั่งหลับไปเลยจิตก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกแล้วก็จะทาให้นอนหลับสบายเป็นสุขด้วยความสงบ ก่อนที่จะหยุดพักขอให้รวมใจอันได้แก่ความเข้นความจําความคิดและความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณสูงนะกลางกายฐานที่เจ็ดตรงที่สุดลมไม่ใจเข้าออกเนื้อระดับเสดอสองนิ้วมือสำหรับผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วก็ให้รวมใจของทุกกายให้หยุดในหยุดอยู่ณสูงกลางกายพระอรหันต์องค์ที่ละเอียดที่สุดแล้วลําลึกนึกถึงบุญบารมี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 ที่กำลังในทาปัจจุบันและที่จะได้ทําต่อไปในอนาคตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณครูอุะชาอาจารย์คุณมารดาบิดายา่าพี่น้องผู้มีพระคุณและสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนมนุษย์และอมนุษย์อื่นทั้งหลายทุกถิ่นฐานรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญบา ร, รมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้อุทิศนี้ด้วยกายวาจายจใจและขอให้พ้นจากเหตุวิบัติบาปศักิ์สิภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติโรคภัยพาธิอวิชากิเลสปัญหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและอุปาทานเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงขอให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ดิศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศน์ไม่ให้เบียดเบียนท่านผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาใจขอให้ละช่วยโดยกายวาจาใจประกอบประกอบแต่รมดีด้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติท่านผู้หนึ่งผู้ใดปรารถนาะเป็นพระสพัพพโยพุทธเจ้าพระปัเจกับผูติเจ้ า, พ, าพระอักสาวกผู้ตัุปถาผู้ตัุปถากพระอสิติมหาสาวกโรกติสาวกพุทธมิดาพุทธมันดาจักพัดพรัตนเจตขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงช่วยประครับประคองท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้สําเร็จมรรคผลนิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวขออนุมโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นผ่านไปนั้นตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเทระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญสำหรับรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร